เงินนี่มันกลายเป็นนายเขาไปแล้วแล้วเมื่อกลายเป็นนายก็สามารถจะทำให้เขาทำความชั่วอย่างไรก็ได้ไม่ใช่แค่ปล้ไม่ใช่แค่โกงบางครั้งก็ถึงกับฆ่าพี่ฆ่าน้องเพื่อยั่งชิงมรดกหรือบางทีก็ถึงขั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะต้องการทรัพสมบัติจากพ่อแม่ อภิตศศาสนานี่ไม่ได้ปฏิเสธเงินนะเห็นว่าเงินก็มีประโยชน์โนะดยเพราะถ้ารู้จักหาเงินด้วยวิธีการที่ชอบทำหามาได้แล้วก็ต้องใช้นะถ้าไม่ใช้นี่พระพุทธเจ้าก็ตำหนิได้ซ้ำในสายพุทธการก็มีเศรษฐีในเมืองสาวัตถีที่ร่ำรวยมาก แต่ว่าอยู่อย่างตรนีทีเหนียวกินข้าวปลายหักกินแบบอดอ ด, ดอยากๆก็ว่าได้เสื้อผ้าก็ปูปาไม่ได้แบ่งให้ใครใช้เลยพอตายนี่ก็เพราะว่ามีเงินทองเยอะมากมายสุดท้ายก็ตกเป็นของหลวงเพราะประเพณีของอ่า อินเดียสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีทายาทนะสมบัติก็ตกเป็นของหลวงไปเข้าพระคลังหลวงพระจากําตนิเศรษฐีคนนี้ว่ า, าเป็นคนโง่นะที่ไม่รู้จักใช้เงินให้เกิเกดประโยชน์ก็คือเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงผู้อื่นเช่นลูกหลานพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ บริษัทบริวารรวมทั้งนำเงินนั้นไปช่วยอุปถรัรมภ์สมณชีพราหมณ์ผู้ง่ายคือช่วยส่งเสริมศาสนาแล้วก็เกื้อกูลส่วนรวมบางคนไปเข้ า, จ า, า, าใจวาพุทธศาสนานิปฏิเสธเงินนะจริงไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีท่าทีกับเงินอย่างไรถ้าเรารู้จักใช้ก็เกิดประโยชน์มากแต่ถ้าเราปล่อยให้มันกลายมาเป็นนายเราอันนั้นคือ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 ปล่อยให้ร่างกายพายพร้อมอันนี้ก็ถือว่ากำลังปล่อยให้เงินเป็นนายเรานะโทรศัพท์หายเนี่ยเรากรุบหมกุ้มใจนะถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่ามันเป็นนายเรานะไม่ใช่เราเป็นนายมันสรนะ้อยเพชรนะรถยนต์ถูกขโมยไปนะเราเป็นยังไงตรอมตรมไหม ถ้าเราจอมโจรนะกลุ่มข อ, อกกุ่มใจหรือบางทีโทษคนโน้นโทษคนนี้ไม่ต้องรถหายนะเพียงแค่ลูกขีดรถเป็นรอยก็โกรธลูกจนตีลูกนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใช้รถละไม่ได้เป็นนายของรถแล้วนะแต่ว่าปล่อยให้รถเป็นนายเรานอกจากเงินจะเป็น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 มันสามารถที่จะบงการให้เราทําชั่วได้นี่ก็เป็นอื่นไปไม่ได้นะแสดงว่ามันเป็นนายเราและเราก็เป็นบ่าวหรือเป็นทาสของมันพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องเรื่องยุทธาบรรดาศักนะดิ์เพียงแต่ว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันจกนกระทั่งมันกลายเป็นนายเราบางคนนะอาจจะไม่ถึงกับทําชั่วหรือคดโกงกันแกล้ง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 เรกาตรอมใจเลยนะแล้วไม่รู้เป็นเพราะเห็นนี้หรือเปล่าทําให้แกอายุสั้นอยู่ไม่นานก็ตายนะ60สิต้นๆเท่านั้นเองอันนี้ก็แสดงว่าปล่อยให้ยศถาบรรณาสักมันกลายเป็นนายของตัวไปแล้วนะถ้าเราเป็นนายมันนะมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ใจได้เราก็มีแต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องหลุด หรือต้องวางก็วางได้เรื่องนี้เราจะเคยได้ยินนะได้ฟังมาแล้วแต่ที่จริงจัมีอีกอย่างนึงนะที่มันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเนี่ยสิ่งน้าคือความคิดนะความคิดเนะ่เป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะให้ลองพิจรารณาดูดีๆนะจริงอยู่เนี่ยเราต้องใช้ความคิดในการทำการงานต่างๆ เราจะมีชีวิตที่ปกติสุขจเจริญงอกงามก็ต้องใส่ความคิดโดยมีความรู้เป็ น, เ ป, นเป็นอุปกรณ์มีความรู้แล้วก็ต้องใช้ความคิดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ความคิดก็พาเรามานี่พาเรามาปฏิบัติความคิดนีเป็นก็เป็น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 โยมพาแม่มาแม่ก็ยุดประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วลูกสาวก็อยากให้แม่ปล่อยวางลูกสาวนะียอยากให้แม่หายห่วงเลิกห่วงลูกสาวแม่ก็บอกมันหยุดห่วงไม่ได้เดียังห่วงอยู่นั่นแหละนะีอันนี้ก็เป็นอาการที่แสดงว่าความคิดมันเป็นนายเรานะ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 แม่ก็รู้แต่ว่าก็บอกว่ามันหยุดห่วงไม่ได้นะห่วงพราะอะไรพราะคิดพอคิดไปในทางร้ายก็เกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าความคิดเป็นนายนะต่อเป็นอย่างงั้นบ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ห่วงห่วงลูกแต่อาจจะห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงงานการมาถึงนี่แล้วก็ยังคิดถึงเรื่องงานการบางทีก็คิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่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 ทีนี่หลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าเนี่ยอะไรทําให้ท่านเนี่ยมาหากับมาหาผมเ้าก็คิดสักพักก็บอกว่าความคิดครับหลวงพ่อเขียงก็เลยถามเขาว่าถ้ามันคิดแล้วท า, วาตามทำทตามความคิดทุกอย่างจะไม่แย่หรือถ้ามันคิดแล้วทาตามความคิดทุกอย่างจะไม่แย่หรือ แล้วท่านก็ไม่สึกให้พระองค์นั้นก็ไม่พอใจวันรุ่งขึ้นเช้าตรูพอเขาเห็นหลวงพ่อกำเขียนมาเขาก็รีบเดินมาหาท่านแต่เขานี่ไม่ได้ลบเล้าขอสึกลวมากราบเพื่อขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อที่ไม่สึกให้เขาทบาเนี่ยาบอกว่าถ้าเขาสึกไปเนี่ยเขาต้องไปฆ่าคนแน่นอน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 แล้วก็พูดทวงเขาด้วยแต่ว่าถ้าทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือ <_ d ata> เขาก็เลยได้สติขึ้นมาแล้วก็เลยตัดสินใจไม่ศึกนะแล้วก็มาขอบคุณหลวงพ่อพระลุมนัสุยกไ็ไม่ได้สม่ได้ศึกนะัแล้วก็บวชต่อเป็น10ปีอันนี้เป็นตัวอย่างนนะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันถ้าทำตามความคิดแล้วเนี่ย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 บางคนจะเรียกว่าบวช ด, ด้วยศรัท ธ, ธาก็ก็ไม่เชิงนะอย่างเช่นไปทะเลาะ ก, กับสามีมาแล้วก็หอบผ้าหอบผ่อนมามาหาท่านบอกว่าจะขอบวชชีแล้วก็พูดถึงขั้นว่าเนี่ยจะบวชตลอดชีวิตละเพราะว่าเบื่อแล้วกับชีวิตครอบครัวมันมีแต่ทุกข์หลวงพ่อก็มักจะทัดทานเขาว่าเดี๋ยวพึ่ง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 อภ่าอ่อนกลับบ้านไหมนะก็เป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยนะไอ้แพทบวชไหมบวชตลอดชีวิตนะเสร็จแล้วพอนะพอแฟนมาคืนดีด้วยก็เปลี่ยนใจใจอ่อนหลวงพ่อท่านเลยพูดไว้อย่าไปเชื่อมันนะไอ้จิตเนี่ยนจิตในที่คือความคิดอย่าไปเชื่อมั น, นะมนแต่ที่ส่วนใหญ่ก็เชื่อนะเพราะว่า มันกลายเป็นนายของตัวเองไปแล้วก็เลยทำตามที่มันสั่งทุกอย่างเราเนี่ยลงเชื่อความคิดไปจนกระทั่งเกิดปัญหามากมายนะกี่ครั้งกี่คนแล้วนะบางคนเห็นแฟนนะอยู่กับผู้ชายในร้านกาแฟ s t a r b u c k ซะด้วยนะดูท่าทางมีความสุขมากเ็าไม่เคยคุยกับเรามีความสุขแบบนี้มาก่อนเลย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 ประสบการณ์ของเราก็อาจจะบอกด้วยซ้ำนด้ว่าบางยางมก็เชื่อไม่ได้นะบางอย่างเราด่วนสรุปไปเสร็จแล้วก็พราบว่าที่เราสรุปนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่แต่เรากมักจะเผลอด่วนสรุปไปโดยที่ไม่ทันคิดมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งเขาขับรถไปลําปางไอ้เส้นทางไปลําปางนี่มันก็เส้นมันเป็นก็เส้นทางคดเคี้ยวนะเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาด้วย ก็มีช่วนึ่ครับที่เขากําลังขับรถด้วยความเร็วเนี่ยก็มีรถคนหนึ่งเนี่ยพ้นเ ห, เหลี่ยมเขานะซึ่งเป็นทางโค้งแล่นตรงมาหาเขาด้วยความเร็วแล้วรถนั้นก็สายไปสายมาจนกระทั่งมากินเลนในฝั่งของเขาเขาก็เลยต้องรีบเบรกเหยียบเบรกแล้วก็รีบหักรบไม่หักหักรถเนี่ยหลบข้างทางบอกว่ารถคันนั้นเนี่ย คนขับเป็นผู้หญิงก่อนที่รถจะแล่นผ่านก็คนขับก็ช้างงงหน้าออกมาที่หน้าต่างแล้วตะโกนว่าควายเขาโกรธมากเลยนะคนที่เล่าเนี่ยเขาก็ตะโกนด่าไปเลยนะอีกควายน้อยนะขับรถผิดกฎนะจนเกิดจะอุบัติเหตุล้าเข้ามาในเลงเขาแล้วนี่ยังมาดา่าเขาอีกนะอย่างดีนะ ที่ดาทันก่อนที่เขาจะแล่นผ่านเลยไปใครที่กำลังกลุ่นๆอยู่เนี่ยขับรถต่อไปนปะบอกว่าพอหักเลี้ยวหักโคง้งไปเลี้ยวโคง้งปรากว่าไปเจอควายฝูงใหญ่เลยเบรกไม่ทันชนไปนะไม่รู้ควายตายหรอเปล่าแต่รถก็บุบไปเขาเลยได้มาได้คิดนโอ้ที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเนี่ยพูดเตือนเขาว่าควายอยู่ข้างหน้า แต่มันเวลามันสั้นนิดเดียวก็พูดได้ไม่มากนะแทนที่จะบอกระวังควายอยู่ข้างหน้าก็พูดสั้นๆมาควายอาจจะเป็นคนจากภาคใต้ก็ได้นะพูดสั้นๆแต่ว่าสรุปแล้วไงนะเชื่ออะไรไงว่าเขาด่าเราเราก็ต้องด่า ก, กลับเขาด่าอีกควายเขาเตือนเราแต่ว่าเขาเตือนเราด้วยความวางดีแต่ว่ากลับไปคิดว่าเขาเขาด่าเรา อันนี้ก็เพราะว่าไปหลงเชื่อความคิดนะไปด่วนสรุปนะนะด่วนสรุปแล้วคนเราเนี่ยสร้างความทุกข์หตุการละกันเนี่ยเพราะการด่วนสรุปเนี่ยมากทีเดียวมีหมอคนหนึ่งนะเล่าว่าเคยมีเด็กเด็กอายุสัก 4-5 ่หขวบป่วยหนักนะพ่อพามาก็ต้องแอดมิททันทีเลยแล้วหมอก็บอกพ่อว่าเวลาหมอขึ้นเวรตอนเช้าเนี่ย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 เขาก็ได้บทเรียนว่าเนี่ยก่อนจะว่าใครควยังตาหนิใครเนี่ยนะมันต้องแต่ถามให้รอบข้อก่อนอย่าไปด่วนสรุปนอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างคนที่เชื่อความคิดนะไม่รู้จักทักทวงความคิดหรือว่าไม่รู้จักคิดเผื่อบ้างเช่นถ้าเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าคนที่มีคนที่รู้นะรู้จักความคิดดีเนี่ย เขาจะจะไม่เชื่อความคิดทุกอย่างก็จะลองคิดเผื่อดูว่าพ่อหายไปไหนอาจจะเป็นเพราะเขามีเหตุจําเป็นหรือเปล่ า, าควรเราถ้าลองลองคิดเผื่ อ, อนี่ดูบ้างนะาการที่จะทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าสร้างความทุกข์แหกันก็จะน้อยลงแต่การที่ทำกันได้เนี่ยมันต้องมีสตินะมันต้องมีสติต้องรู้จักยังยังยังคิด หรือว่ายังจิตมันคิดขึ้นมาแว บ, บหนึ่งเนี่ยว่าพ่อคนนี้ไม่รับผิดชอบคนที่มีสตินี่เขาจะเขาจะยังไม่ไม่ด่วนสรุปนะเาก็จะลองคิดเผื่อว่าอาจจะมีเหตุจำเป็นก็เลยทำให้พ่อนี้ไม่อยูย่อันนี้แหละที่เรียกว่าความคิดเนี่ยนะเรามันเป็นบ่าวของเราเราเป็นนายความคิดคือเรารู้จัก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 ใจเราก็ไปจดจ่ออยู่กับการกระทําคำพูดของเขาก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาหรือบางทีกเกิดความขุนเคืองนะไม่ขุนเคืองสิ่งที่อยู่รอบตัวนะแต่ว่าไปขุนเคืองเนะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ทำให้ไม่อยากปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเกิดพยาบาทขึ้นมานะพยาบาทนี่มันไม่ได้มันไมไ่หมายความว่าจะต้องไปคิดทำร้ายคนนะ แต่ว่ามันเป็นอาการโทรสะบางทีท่านก็ใช้คำว่าปฏิฆะนะและที่มันรบกวนเรามากก็คือความลังเลสงสัยนะสงสัยว่าเนี่ยไอธที่มาเนี่ยเราเราคิดถูกแล้วหรือเนี่ยนะพามาไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อเขาเลยนะนี่พราะเกงใจเขาเราถึงมามาแล้วก็ทุกแบบนี้นะหรือว่าสงสัยว่าทีรทำเนี่ยถูกไหม